พระไตรปิฎกฉบับประชาชนย่อความจากพระไตรปิฎกเล่มที่สามชื่อพิกุณีวิพังเป็นวินัยปิฎกในเล่มหนึ่งและสองแห่งบาลีวินัยปิฎกซึ่งย่อมาแล้วว่าด้วยศีลของภิกษุซึ่งมีอยู่227ข้ออันจะต้องสวดในที่ประชุมสงฆ์ทุกกึ่งเดือนบัด น, นี้จึงมาถึงบาลีวินัยปิฎกเล่มสาม ซึ่งชื่อว่าภิกษุณีวิพังอันแปลว่าข้อแจกแจงอันเกี่ยวด้วยนางภิกษุณีพูดง่ายๆก็คือแสดงถึงศีลส1 1อข้อของนางภิกษุณีซึ่งจะต้องสวดในที่ประชุมภิกษุีสงฆ์ทุกเกือกเดือนเช่นเดียวกับภิกษุสงฆ์คําว่าบาลีวินัยปิฎกหมายถึงวินัยปิฎกฉบับภาษาบาลีอันหนึ่งคาว่าภิกษุณี เป็นภาษาบาลีภิกษุณีเป็นภาษาสัสนสกฤตในศีลสามร้อยสิบเอ็ดของนางภิกษุณีนั้นเป็นของนางภิกษุณีแท้ๆเพียง130ข้อส่วนอีก181ข้อนำมาจากศีลสอีสของภิกษุเหตุที่นำมา1น1ข้อก็เพราะได้เลือกเฉพาะที่ใช้กันได้ทั้งภิกษุและภิกษุณี อันใดที่เป็นของเฉพาะภิกษุแท้ๆก็ไม่นำมาใช้สำหรับนางภิกษุณีบาลีวินัยปิฎกเล่มสามที่ชื่อว่าภิกขุนีวิพังนี้แบ่งออกเป็นหัวข้อใหญ่เจ็ดหัวข้อคือหนึ่งปาราชิกกันว่าด้วยอาบัตปาราชิกคืออาบัตที่ต้องเข้าแล้วทำให้ขาดจากความเป็นภิกษุณี อาบัติปาราชิก ข, ของนางภิกษุณีมี8แต่แสดงไว้ในที่นี้เพียงสี่ส่วนอีกสี่ข้ออนุโลมตามของภิกษุคือเหมือนของภิกษุ 2. สัตตราสกันว่าด้วยอาบัตสังฆาทิเศษส7ข้ออาบัตสังฆาทิเศษนั้นต้องเข้าแล้วต้องประพฤติมานัด15้าวันในสงสองป่ายคือทั้งภิกษุสงและภิกษุณีสง พูดง่ายๆก็คือต้องประจานตัวเองแก่สงฆ์ทั้งสองฝ่ายและตลอดเวลาสิบห้าวันนั้นต้องเสียสิทธิหลายอย่างอาบัตสังฆาทิเศษสำหรับภิกษุมีสิบสามข้อใช้ได้แก่นางภิกษุณีเพียงเจดข้อเป็นของนางภิกษุณีแท้ๆที่แสดงไว้ในบาลีวินัยปิฎกเล่มสามนี้เพียงสิบข้อสำหรับมานัสนั้น เป็นวุฒฐานวิธีเบื้องต้นแห่งการออกจากคุรู ก, กาบัตแล้วสงจึงสวดระงับอาบัตนั้นแต่ถ้าปกปิดอาบัตไว้ต้องอยู่ปริวาสก่อนจึงประพติมานัดได้ 3. นิสกิยากัรว่าด้วยอาบัตปาจิตตีที่ต้องสละสิ่งของเรียกเต็มว่าอาบัตนิสกิยะปาจิตตีมี30มสข้อเท่ากับของภิกษุ แต่นำของภิกษุมาใช้เพียง18ข้ออีก12ข้อที่แสดงไว้ในที่นี้เป็นของนางภิกษุณีโดยตรงสำหรับอาบัติปาจิตตีแปลว่าการละเมิดที่ยังกุศลคือความดีให้ตก 4. ปาจิตติยักันว่าด้วยอาบัติปาจิตตีตามปกติที่ไม่ต้องสละสิ่งของรวม166ข้อ ในจำนวนนี้ที่แสดงไว้ในที่นี้อันเป็นของนางภิกษุณีโดยตรงมี69ข้อนำของภิกษุมาใช้70ข้อจึงรวมเป็น166ข้ออาบัติปาจิตตีของภิกษุมี92ข้อ 5. ปาฏิเทสนียะกันว่าด้วยอาบัติปาฏิเทสนียะ คืออาบัตที่ควรแสดงคืนรวม8ข้อซึ่งไม่ซ้ำกับของภิกษุเลยอาบัตปาฏิเทศนิยะของภิกษุมีสข้อมีที่น่าสังเกตก็คืออาบัตนี้ของนางภิกษุณีเนื่องด้วยการขอของบริโภคทั้ง8ข้อ 6. เสขขยะกันว่าด้วยระเบียบมารยาทที่ต้องศึกษารวม75ข้อ เป็นการนำของภิกษุมาใช้ทั้ง75เป็นแต่ว่าในที่นี้ได้แสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องนุ่งห่มไม่เรียบร้อยกับเรื่องถ่ายอุจจาระปัสสาวะและบ้วนน้ำลายลงในน้ำซึ่งก็มีที่ห้ามอยู่แล้วในเสขยววัดร75ของภิกษุ 7. อธิการณะสมถะวิธีระงับอธิกรณ์คงมี7ข้ออย่างเดียวกับของภิกษุ